ทั้งสองพื้นที่เป็นทองทั้งหมดทั้งสองข้างของพื้นที่เนี่ยเป็นทองทั้งหมดณนะรัตนะจงกรมทรงไนรเมิตรายทีทองล้วนปูด้วยแผ่นกระดานทองเวียนไปตามจันทร์คู่ทั้งสองข้างรัตนะจงกรมที่ทรงไนรเมศเกลื่อนกลาดไปด้วยทรายแก้วมณีทรายแก้วมุกดาส่องแสงสว่างไปทุกทิศเหมือนดวงอาทิตย์ขึ้น ณนะที่จงกรมนั้นพระชินะสัมพุทธเจ้าจอมปราดผู้มีพระมหาปริศลักษณะ32รุ่งโรดอยู่เสด็จจงกรมเหนือที่จงกรมเทวดาทั้งหมดมาประชุมกันโปรยดอกมณฐารกดอกประทุมดอกปริชัตดอันเป็นทิพย์ลงณนะพื้นที่จงกรมหมู่เทพหมื่นโลกธาตุมาประชุมกันเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น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 เป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งอาศัยเป็นประทีปของสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้สูงสุดแห่งสัตว์สองเท้าเทวดาผู้มีมหิจฉิตริษในหมื่นโลกธาตุต่างยินดีร่าเริงบันเทิงใจพากันห้อมล้อมนมาส ก, การเทพบุตรเทพพระธิดาเลื่อมใสมีใจ ย, ยินดีก็พาการบูชาพระนาราสภะด้วยดอกไม้ห้าสีโอ้ความน่าอัศจรรย์ในโลกไม่เคยมีหน้าคนลุกชูชัน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 บูชาพระผู้สูงสุดในนรชนเพราะเห็นความอัศจรรย์ในท้องฟ้าสังขีตะทั้งหลายก็พากันบรรเลงกรองหุ้มหนังทั้งหลายก็พากันประโคมในอัมพรณนาภาการเพราะเห็นความอัศจรรย์ในท้องฟ้าสังบันเดาะและโมโหระทึกทั้งหลายก็พากันบรรเลงในกลางหาวเปล่งอุทานว่าวันนี้อาการขนลุกขนชันที่ไม่เคยมีก็เกิดขึ้นแล้วหนอ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 ผู้เข้าถึงพระพุทธคุณทุกอย่างผู้พรักพร้อมด้วยองค์คุณครบถ้วนผู้เป็นพระมหามุนีมีพระกรุณาเป็นนาถะที่พึ่งของสัตว์โลกพระองค์ควรซึ่งการกราบพระองค์ควรซึ่งการชมพระองค์ควรซึ่งการไหว้พระองควรแก่การสรนเสริญพระองควรแก่การนอบน้อมพระองควรแก่การบูชาทุกอย่าง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 พระพุทธเจ้าเป็นผู้ชำนาญอย่างดีชำนาญในปาฏิหาริเหล่านั้นด้วยความชำนาญห้ประการคืออาวัชนะวสีความชำนาญ น, นี้แปลเป็นภาษาบาลีว่าชนานาญหรือความชำนาญแปลว่าวสีวสีแปลว่าชนานาญเนี่ยนะมีอยู่หประการคือหนึ่งอาวชนาวสีสองสมาปัจชนะวสีสอธิฐานวสีสี่วุฒธานว ส, 4, วธธนวสีแล้วก็ห้าปัจเจเวขณาวสี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 นึกเนี่ยส่วนชํานาญในการดํารงอยู่ดํารงอยู่ในปาฏิหาริเหล่านั้น น, นะหรือดํารงอยู่ในฌานก็คือพระองค์เข้าฌานใดๆหรือเข้าปาฏิหาริใดๆเนี่ยนะตามความปรารถนาตามเวลาเท่าที่พระองค์ปรารถนาความเนิ่นช้าในการเข้าไม่มีเลยเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเป็นผู้สามารถในการเข้าฌานได้เร็วหรือสามารถในการแสดงปาฏิหาริทุกอย่างได้อย่าง รวดเร็วแสดงทั้งอิทธิปาติหานได้อย่างรวดเร็วแสดงอาเทศนาปาติหานก็ไม่เนิ่นช้าเนี่ยนะก็แปลว่ารวดเร็วแล้วก็อนุสาสนีปาฏิหานของพระองค์ก็คล่องแคล่วมันก็เลยเรียกว่าพระองค์ผู้ชำนาญในปาติหานสามชำนาญในการเข้าสมาบัติก็ได้เนะี่ยเพราะว่าผู้ที่จะ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 อาวัชนะวสีกับปัจเจกคณะ ว, วสีเนี่ยต่างกันตรงที่ว่าอาวัชนะวสีเป็นมนโนทวาราวชนะปัจเจกขณะวสีเนี่ยเป็นโชนะเนี่ยนะก็วิธีเดียวกันนั่นแหละสะรุปว่าพระองค์นี้เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในวสีทั้งหเชื่อว่าทรงเป็นผู้ชํานาญด้วยประการชนิดเพราะฉะนั้นพระธรรมสังคีติกาจารย์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 บาลีว่าพระองค์นั้นทรงสแสดงยอดเขาสินเนรุบรรพดเนี่ยนะยอดภูเขาเนี่ยในหมื่นโลกธาตุเป็นเหมือนเสาตั้งเรียงรายกันเป็นเ อ, เอาเสาเนี่ยมาตั้งเป็นเรียงกันเลยนะก็เหมือนกับว่าเสาเรีย ก, กี่หมื่นต้นก็เสาหนึ่งมื่นต้นหมื่นโลกธาตุนจะมีโลกธาตุภูเขาซินเนรุอยู่หนึ่งหิงหนงนเนรุมันก็เอาภูเขาซินเนรุเนี่ยมาเรียงกันเลยก็เท่ากับว่าเสาจงกรมเนี่ยมีหมื่นเสาอะนะเสาที่โรงจงกรม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 โรงจงกรมหรือสถานที่จงกรมที่สร้างด้วยรัตนะทั้งหลายเนี่ยนะด้วยรัตนะแก้วแวน่นเงินทองเป็นต้นนั่นเองอธิบายว่าทำเพวะแปลว่าทรงทำซีเนรุบรรพศในหมื่นจักรวาลให้เป็นเหมือนกับเสาตั้งอยู่เรียงรายเป็นระเบียบทรงทําให้เป็นดังเสาทองเนี่ยนะภูเขาซิเนรุก็เป็นเหมือนกับภูเขาทองแล้วมาเรียงกันแล้วก็เนรมิตรที่จงกรมเนี่ยตั้งอยู่บนอยอดเขาสิเนรุเหล่านั้น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 พลินคือที่เดินเนี่ยปกติแล้วท่านเชื่อว่าเดินบนทรายเนี่ยเป็นที่เดินที่ดีที่สุดว่า ง, งั้นที่เดินบนทรายเนี่ยแต่ก็ไม่ใช่ว่าทรายหนาเป็นสอกอะถ้าเดินนี้เมื่อยต า, ายเลยแต่หมายความว่าที่เดินเป็นทรายระดับหนึ่งเน่ยถ้าพื้นที่ทรายแต่เป็นทรายแก้วทรายทองทั้งหลายเนี่ยนะทรายเหล่านั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบมันต้องกลมดีนะไม่งั้นก็บาดเท้าอางแต่หมายวว่าทรายที่ที่ดีที่ที่กลมแล้วก็ไม่บาดเท้าเนี่ยนะเป็นอย่างดีอะ่ะ ตรงที่เดินน่ะนะส่วนข้างๆก็จะเป็นคค่แคๆกำแพงทองเนี่ยนะเป็นเหมือนกับกำแพงทองก็เลยบอกว่าพื้นทั้งสองข้างเป็นทองทั้งหมดแต่ก็ข้างบนนั้นเกลี่ยด้วยสายแก้วสายรัตนะคาอธิบายเพิ่มเติมว่าพระชินพะพุทธเจ้าชินะ เ, เนี่ยนะหรือพระชินเจ้าเนี่ยชื่อว่าชินะเพราะพระองค์เนี่ยชนะค่าสึกคือกิเลสมารทั้งหลายเนี่ยนะาสึกคือความเศร้าหมองที่ปทุสราย ทำลายสภาพจิตที่อยู่ภายในบทว่าสัพพโสนนะมยาปเสความว่าที่สองข้างของที่จงกรมที่ทรงเนรมิตนั้นน่ะมีพื้นที่อันเป็นขอบคันเป็นทองหน้าเรื่นลมอย่างยิ่งอธิบายว่าตรงกลางนี่เป็นแก้วมณีก็มีจันทันคู่จันทันก็คือที่วางบนถ้าใครนึกถึงทางดวนได้ก็ไม่ยากนะนะ ทางด่วนมันจะมีเสาใช่ไหมมีเสาตั้งขึ้นมามันก็จะมีไ อ, ไ, อไอตัวที่ตั้งบนเสา อ, อีกครั้งเป็นเหมือนกับตัวผ้าสผ้าสเสร็จแล้วก็จะมีตัววางเรียกว่าเหมือนกับจันทร์ น, นี่มาวางวางเสร็จแล้วก็จะมีพื้นที่มีแค่กำแพงสองข้างตรงกลางก็เกลีย่ยเป็นทรายรั ต, ตนะ์ทรายทองนั่นแหละที น, นี้พระพูทศรัทาถามว่าเอ๊ะพระองค์เป็นมนุษย์ตัวเล็กนิดเดียวบอกพุทธานุภาพเป็นอจินไตยฟ้นพระองค์เนี่ยอยู่ตรงนั้นเน่ยเหมือนกับที่จงกรมธรรมดาเท้านั้นเองเพราะว่าพุทธานุภาพสามารถที่จะแสดงให้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 พระชินะสามพุทธเจ้าจอมปราดผู้ทรงพระมหาปริศลักษณะสามสิบสองประการเมื่อทรงรุ่งโรจนะที่จงกรมนั้นก็เสด็จจงกรมณนะที่จงกรมเหล่านั้นก็คือในรมทิที่จงกรมเสร็จแล้วพระองค์ก็รุ่งเรืองพระองค์นี้สมบูรณ์ด้วยมหาปริศลักษณะ32ประการก็แสดงว่ากล่าวถึงอนุพยัญชนะและพระฉับพันณรังสรีที่แผ่ซ่านออกจาก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 ถ้าพูดถึงเหมือนกับเรื่องงานสงกรานใช่ั้ยงานสงกรานก็จะมีอะไรโปรยน้ำสาดน้ำออกไปใช่นี่ก็เหมือนกันก็โปรยดอกไม้ฉนันเทวดาทั้งหลายก็เหมือนกับร่วมกันโปรยข้าตอกดอกไม้เป็นพุทธบูชาพระพุทธเจ้าเราตอนนั้นได้ไปบูชาบ้างหรือเปล่าไม่ทราบนะก็ไม่ามานะมได้ไปบูชาในตอนนั้นก็อนุมโมทนากับเหล่าเทวดาทั้งหลายที่เขาได้ทำบูชากัน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 ดอกมณทารพบเป็นต้นที่เทวดาเนี่ยมาโปรยปลายอธิบายเพิ่มเติมว่าดอกปริชตกะหมายคำว่าต้นปริชตกะที่น่าชื่นชมยิ่งนักขณะร้อยยอดโดยรอบบังเกิดเพราะผลบุญแห่งการถวายต้นทองหลังของทวยเทพชั้นดาวดึงคือเท้าส ก, กะเนี่ยนะในอดีตตอนที่สร้างศาลาให้ประชุมชนอาศัยก็ปลูกต้นทองหลังเอาไว้ข้างศาลาให้ลมให้เงาให้ความ สุขสบายแต่คนเดินทางด้วยบุญอันนั้นเนี่ยนะก็สำเร็จเป็นต้นทองหลางในสวรรค์ชั้นดาวดึงต้นชองหลางที่สวยสดงดงามมีดอกช่องดงามเนี่ยนะก็เมื่อปาริฉัตกะต้นใดออกดอกบานแล้วทั่วทั้งเทพนครจะอบอวนไปด้วยกลิ่นหอมเป็นอย่างดีียลว่าอบด้วยกลิ่นหอมเหมือนกัน วิมานทองใหม่ทั้งหลายที่กลากเกลือนด้วยละองของดอกปริชัตะกะต้นนั้นจะปรากฏเป็นสีแดงเรื่อๆและดอกปริชตะกะนี้ท่านก็เรียกว่าปริชัตกะกาเพราะดอกดอกทองหลางออกจะออกแดงๆหน่อยนะแดงเรื่อๆนี่นะก็ไม่ใช่ว่าแดงสดไปเลยอ่ะนะก็แดงเรื่อๆทั้งดอกสรุปว่าเอาดอกไม้เนี่ยนะดอกมณฑารบดอกประทนดอกปริชัตะกะมาโปรยลงที่รัตนะจงกลมนั้น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 พรหมชั้นอภัสระสุภกินหะเวหะพละก็คือจริงๆก็นับตั้งแต่พรหมปริัทชาพรหมมปโรหิตามหาพรห ม, ปร า, รมปราปริตตสุภาอัปมาณสุภาสุภกินหะหรือว่าอัปมานาภาปริตตาภาอัปมานาพาอภัสราหรือว่าเวหะพลาตลอดจนถึงอวิหาอตปาสุทธสาสุทธศีธาอาการิขาพรหมเหล่านั้นครองผ้าขาวสะอาดเออพร่งนี่ใช้ผ้าขาวนะเทวดาใช้ผ้าสี พรมเหล่านั้นก็พากันยืนประคองอัญเชลียกปรนมจีบนิ้วอันรุ่งเรืองบูชาพระพุทธเจ้าแล้วพรมเหล่านั้นก็พากันโปรยดอกมณฑารพห้าสีดอกไม้ห้าสีเราเบญจพรรณเนี่ยนะสีสวยผสมกับจุนจันก็เรียกว่าแป้งหอมก็เรียกว่าดอกไม้สีสวยผสมแป้งหอมเนี่ยนะโบกผ้าทั้งหลายก็เรียกว่าทุกคนเนี่ยโบกเหมือนโบกทงอะนะใครก็เห็นเขาดูกีฬ า, าเชียร์กีฬาแล้วโบกทงแต่นี้ คนละอย่างกันเนี่ยนะโบอกอันนั้นด้วยอากุศลแต่นี้โบกด้วยมหากุศลนี่คือความต่างกันแต่ก็ร่าเริงดีใจบันเทิงเหมือนกันน่ยนะณพื้นอัมพรอัมพรก็แปลว่าท้องฟ้าโบกภาพแปล่งสว่างสวยในท้องฟ้าครั้งนั้นต่างก็อุทานว่าโอ้พระชินเจ้าพระผู้ชนะมารทั้งหลายผู้ทรงเกื้อกูลและอนุเคราะห์โลก เทวดาทั้งหลายก็พากันดีใจร่าเริง น, นะมีจิตเบิกบานด้วย อ, อำนาจปีติและโสมนัสก็เป็นประเภทมหากุศลโสมนัสเนี่ยนะโสมนัสทั้งหมดเพราะเป็นผู้มีจิตเบิกบานเพราะแต่ละคนเนี่ยสุมนามีใจดีดีใจกันหมดเลยสุมนามีใจรีหรือดีใจเนี่ยแหละคนใจดีก็ทุกคนใจดีหมดเลยเนี่ยนะไม่มีใครดุใครเรียกกราดอะไรทั้งหมดเพราะเห็นพระพุทธเจ้าผู้ผู้อะไรผู้ทรงคุณธรรม พัน้าเห็นพระพุทธเจ้าพูดส่งคุณธรรมทุกคนมีแต่ความสบายอกสบายใจเนี่ยนะทางเนื้อเ่มวน อ, อกมวนใจปรมานั้นคือทุกคนนด้สบายอกสบายใจกันหมดเลยนะปราบเพิ่มปีติหมดเลย